ช่วงที่ไปนี่ก็มีการจัดคอร์สปฏิบัติธรรมที่วัดจีนนะในในรัฐนิวยอร์กไม่ได้จัดบ่อยนะจัดก็เดือนหนึ่งสักสองครั้งได้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายจีนมาปฏิบัติคล้ายๆอย่างที่เราปฏิบัตินี่แหละ มีคืนหนึ่งนะระหว่างที่กำลังปฏิบัติกันในในวิหารของวัด mm hmm. ก็มีฝรั่งคนหนึ่ง mm hmm. เข้ามาหาหน้าตาไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ mm hmm. มีความทุกข์นะทีแรกนื่ว่าเขาจะมาปฏิบัติธรรม แต่ปรกว่าไม่ใช่คุยไปคุยมาก็ได้พบว่าเขาก็มีความกุ้มใจพูดไปบางทีก็ร้องไห้ไปเป็นผู้ชายนะอาอยุสักสี่สิบได้ทีแรกก็นึกว่าเขาสูญเสียคนรักเช่นลูกตายเมียตาย หรือว่าถูกเมียทิ้งนะปรากฏว่าไม่ใช่เขาบอกว่าเขามีปัญหาเพราะว่าเขาเจอเงินก้อนใหญ่อยู่ก้อนหนึ่งทีแรกก็ฟังนึกว่าเขาพูดผิดนะเพราะว่าเจอเงินไม่น่าจะมีความทุกข์นะเขาก็ทำท่าควักเงินกระเป๋าแล้วก็ทิ้งเงินแล้วก็เก็บมา ใส่กระเป๋าเาก็เลยใส่ว่าฟังเขาถูกแล้วเข้าใจก็ถูกแล้วพขอบอกเขาเจอเงินประมาณ 1,300 ดอลลาร์ 1, ที่หน้าธนาคารแล้วก็ไม่รู้วใครเป็นเจ้าของถามคนที่ธนาคารก็ไม่มีใครแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของเงิน เขาก็เลยเก็บเงินก้อนนั้นเอาไว้เขาก็สารภาพว่าเขาเองเนี่ยตกงาน ม, มาสองเดือนแล้วแล้วก็ขาดเงินมากอยากได้เงินนะมามาต่อชีวิตนะก็เลยเกิดความขัดแย้งขึ้นมาในใจ ใจหนึ่งก็รู้สึกว่าเงินก้อนนี้ไม่ใช่ของเขาควรจะคืนเจ้าของไปแต่อีกใจหนึง่งก็อยากได้เงินก้อนนี้เพราะว่าเขากำลังร้อนเงินแล้วก็คงจะรู้ว่าเจ้าของเงินเนี่ยนะก็คงจะ เป็นทุกข์นะที่เงินหาย 1,300 ดอลลาร์ก็มันก็ประมาณถ้าเป็นเงินไทยนี้ก็เกือบห้า0มบาทนะก็อาจจะเป็นเงินเดือนของคนประเภทชนชั้นล่างนะได้ทั้งเดือนเลยอันนี้เขาก็มีความปลุมใจ มันต่อสู้กันข้างในเขาก็เลยไปกินเหล้าตอนที่เขาคุยนี่ก็ได้กินเหล้าเขาแล้วก็บอกเป็นอย่างคือเขากลุ่มใจนะว่าจะทำยังไงดีเงินก้อนนี้หาทองออกไม่ได้ก็เลยมามาที่วัด ก็แปลนักฝรั่งนี่นับถือศาสนาคริสต์นะส่วนใหญ่ก็ทำไมมาปรึกษาพระในพุทธศาสนาก็ไม่ทราบแต่ที่มันน่าสนใจคือว่าคนแบบนี้นี่ไม่รู้ว่าเมืองเมืองนอกมีมากแค่ไหนนะแต่เมืองไทยนี่น่าจะมีน้อยนะคือถ้าเจอเงินได้นี่ก็ดีใจเลย เป็นลาบปากก็แล้วแต่ว่าผู้ชายคนนี้เขาทางนั้นที่เขาไม่ได้เป็นชาวพุทธนะแต่เขารู้สึกว่ามันไม่ถูกที่จะเก็บเงินก้อนนี้เอาไว้กับตัวแต่ว่าใจนึงก็อยากได้เงินมากนะเพราะว่าขาดเงินไม่มีงานทำมาสองเดือนละมันก็ต่อสู้ในใจ ถ้าเป็นคนไทยก็ อ, อกจาจจะรู้สึกว่าเ อ, อเรามีข้ออ้างว่าเราต้องการใช้เงิ น, นยแล้วก็เงินนี้ก็หาเจ้าของไม่ได้ก็เอามาใช้เลยดีกว่าใจนี้เขาก็ทําใจแบบนั้นไม่ได้มันก็เลยต่อสู้ข้างในเกิดความขัดแย้งในใจก็เลยเครียดเลยกลุ้มใจหาทางออกไม่เจอก็เลยต้องกินเหล้ากินเหล้าก็ทําให้เครียดหนักขึ้นเพราะว่าสมองสับสนไม่หมด ต่อมาก็เลยแนะนำว่าก็เขาควรจะพยายามหาเจ้าของนะต้องพยายามติดต่อกับเจ้าหน้าที่ในธนาคารสมัยว่ามีใครมามาร้องทุกข์มาแจ้งมาบอกมาถามหาเงินหรือเปล่านะพอแนะนำไปนี่เขาก็เริ่มก็เรียกว่ามโนธรรมในใจเขามันเริ่มมีกำลังขึ้นมา เขาก็เลยเริ่มคิดว่เออนะอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันก็เรียกว่าตัดสินใจได้แต่ก่อนนี่ก่อนมาเนี่ยอาจจะสุ50รู้สึกว่า 50-50 บ50ห้าสิบนะให้คนที่อยู่ในภาวะที่หาสบห้าิบนี่มันทุกข์นะทำหรือไม่ทำดีเนี่ยมันมันทุกข์มากเลยความลังเลสงสัยเนี่ยมัน คนเราทุกข์แต่พอตัดสินพอความคิดที่จะคืนมันมีสัก 60-70% เนเี่ยเขาก็เริ่มเริ่มโปร่งโล่งแล้วก็รู้สึกดีขึ้นนะก็คุยกันไม่นานนะสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้เขาก็ตกลงตัดสินใจได้ว่าจะพยายามหาเจ้าของถ้าหาเจ้าของไม่ได้ก็เอาเงินไปทำ สาธารณประโยชน์นะก็เรียกว่ า, าจบลงด้วยดีอย่างน้อยก็เฉพาะหน้านี้นะก็ยังไม่รู้ว่าพอเขากลับไปถึงบ้านนี่จะเปลี่ยนใจหรือเปล่าเพราะว่าคนมันก็ต้องกินต้องใช้นะพอถ้าเกิดว่าไม่มีเงินจะซื้อข้าวหรือไม่มีเงินจะจ่ายค่าน้ําค่าไฟก็อาจจะเกิดความลังเลสงสัยขึ้นมาใหม่ อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นง่ายคิดนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะถ้าเป็นในเมืองไทยนี่คนที่เจอเงินได้ก็าไม่ค่อยมีปัญหาแบบนี้คือก็เห็นว่าก็คิดว่าเป็นโชคแล้วล่ะนะ จะไม่มีความขัดแย้งในใจอันนี้ก็แปลกนะ ท, ทั้งที่เราชอบพูดเราก็ถือศีลห้ากันเป็นส่วนใหญ่ไอศีลข้อที่สองเนี่ยอธินนาทานาเนี่ยเรามักจะเข้าใจว่าหมายถึงเฉพาะการการไปขโมยการลักลักขโมยแต่ที่จริงถ้าเรา เจรณาความหมายก็ดีให้ดีก็จะพบว่าเนี่ยมันจะมีความหมายว่าเจตนาถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้อาทินาทานเนี่ยหมายถึงว่าสิ่งข้อสอนี่คือเจตนาที่จะไม่เอาของที่เขาไม่ได้ให้มันก็ไม่แปลว่าลักขโมยอย่างเดียวนะไอ้ของที่ตกหล่นอยู่แล้วเราไปไปเอามาเนี่ย มันก็เป็นของที่เจ้าของไม่ได้ให้นะแต่ว่าถ้าเราไปถือเอามามันก็เป็นอธิมนาทานได้เหมือนกันก็นกคือการผิดศีลข้อที่สองแต่เดี๋ยวนี้นี่เราไม่ค่อยไม่ค่อยเอาจริงเอาจังเรื่องนี้แล้วเมืองไทยนี่ขึ้นชื่อนะก็เคยถาม นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศนะไม่ได้ถามที่เมืองไทยไปถามที่เมืองนอกถามนักท่องเที่ยวหลายหมื่นคนส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรปเพราะว่าประเทศไหนที่ขึ้นชื่อในเรื่องการการลักขโมยเท่าที่เขามีประสบการณ์การท่องเที่ยวมาบอกว่าประเทศไทยติดอันดับสองนะ อันดับแรกรู้สึกะเป็นแอฟริกาใตา้เคยมีนิตยสาร leader digest เนี่ยเขาทำการทดลองให้คนแก้งเอากระเป๋าไปวางทิ้งไว้เหมือนกระตกลนตามที่ต่างๆเช่นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยศาลากลางหรือเทศบาล แล้วก็ไม่ได้ทำกับประเทศเดียวทำหลายประเทศไทยพมา่าลังกามาเลเซียสิงคโปร์ญี่ปุ่นบอกว่าของไทยนี่ก็เาได้คืนของได้คืนแค่ 40% 60% หายทาั้งทั้งที่ในกระเป๋านั้นก็บอกชื่อเจ้าของเอาไว้ ส่วนในประเทศอย่างญี่ปุ่นสิงค โ, โปร์นี่ได้คืนมา 80% ของเรานี่ได้คืนมาแค่ 40% ต่างกัน2เท่าและที่น่าสนใจคือมันไปหายที่ไหนหมายถึงว่ามีคนเก็บแล้วไม่คืนเนี่ยที่ไหนที่ไม่ได้คืนนะก็เป็นที่เหมาอุทยลแห่งหนึ่งซึ่งได้ชื่อว่ามี คนรวยมาเรียนมากที่สุดนะไปทิ้งที่ของไปทิ้งที่สารากลางไปทิ้งทีอ่อำเภอนี่มีคนคืนนะแต่ว่าไปทิ้งที่แอบไปทิ้งที่มาวทยายนี่เขาก็ดูนะใครเก็บไปก็เป็นนักศึกษานักศึกษาเก็บไป คือเวลาเขาทิ้งก็คอยจ้องดูไปไกลว่ามีใครจะเก็บบ้างก็มีนักศึกษาเก็บไปแล้วก็ไม่คืนนะเราเป็นนัาศึาหมหาวิทยาย ท, ายที่ถือว่ามีคนรวยมาเข้ามาเข้าเหรียนมากที่สุดนะอันนี้มันก็เป็นเครื่องวัดอะไรได้บางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของความซื่อสัตย์ของคนไทยหรืออย่างน้อยในในในกรุงเทพก็เอาท่านี้ก่อนอ่ะพร